ต่อไปเีมาดูในหมวส่วนวิธีก่อนนะครับคือหัวส่วนิธีหน้าเท่ไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้านะขึ้นว่างใหม่หน้าเจนละกับว่างครับข้อที่สี่สิบเ็ทีสือรูปใดเพิ่ให้ของเคี้ยวหรือของฉันแก่เจนละก่าหน้าบวชีีเปลือยก็ดีปริพาชกก็ดี ปาริภาชิกาก็ดีน้่งบวชนอกศาสนาที่นุ่งภาาด้วยมือของตนเองต้องอาบัดปาจิตตีวางของเหลือฉันไว้ให้ได้นะให้อาหารนะแก่พวกนี้นะครับชีเปลือกนั่งบวชชีเปลือยนะปาริภาจุปริชาิกาคือนําหบวชนอกศาสนา ขึ่นอุ้งผ้านะครับเขาจะเรียกว่าปริพาโชปริภาชิกาเป็นนิกายไหนละทีไหน ก, น, กนก็แล้วแต่ะอาชีวะพวกพวกนี้นะก็ส่งขอนี่แหละคำว่าให้นาะให้ของเคสของฉันเนี่ยนะให้ด้วยมือของตนใช่ไหมครับหมายเพราะว่าเราหยิบขออาหารเนี่ยไปวางให้เขาครับเนี่ยนะวางไว่ในมือเขาเลยนะหรือว่าในภาชนะของเขาครับนะหรือว่ายโยนให้นะ โย่ให้ก็ไม่ได้หายนะครับก็ยังต้องอาบังเหมือนกันอืนอกจากว่าในมือเข้าโด้ตรงหรือในภาชนะนะนอกจากว่าเราวางไว้แล้วเขายิบไปเองนะครับหรือว่าเขาไม่ได้ถือภาชนะนะเข้าภาชนะวางไว้เขาไม่ได้ถือเราก็ใส่ให้เขานะครับอันนี้ถึงจะได้ไม่ใช่ว่าให้ดึมือของตนถ้าให้ดึมือคือเข้าเล่าดึงมือหรือว่าถือภาชนะแล้วก็ใส่ให้นครับ แม้แต่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เรานะถึงว่าพ่อแม่เราเป็นบั ว, บวในละทีพายน่องนี่นะครับอันนี้ก็ให้ไม่ได้นะครับเป็นอาบัก ท, ทั้งนั้นเละเป็นสิการไปอีกทีด้วยถ้าให้น้ําแล้วไม้ชม้นฟันจะต้องแบบทุกกฎถ้าให้ของลูกชาพายน่องไม่เป็นอาบันะครับให้ยากันยุงจะเป็นชาอันนี้ไม่ต้องอาบันะครับข <c oughs> ้อนี้คงจะโเนยากนะของเราไม่ค่อยมี แต่ให้ในอินเดียลัทธิบาหวานใช่ไหมเพวกะเขาเจ้าเจ้าทิฏฐิของเราเขาเลี่การคิดนี้ลัทธิอะไรเยีะแล้วนะนอินเดียทีน <c oughs> ที้เรามาดูต้นบัญญัติข้อมาจากใครต้นมันอย่ญญัติเป็นเรื่องของพระอานนท์นะครับโดยสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ากระทาอยู่หน้ากูตาคารสาราฝั่งมหาวันเนขตพระนครเวสาลีครั้งนั้น กองขนมเครื่องขบฉันเกิดแก่ประสงค์จึงท่านพระอานนท์ได้กล า, ามพูงเนื้อฟางนั้นแดกเมื่าผ้าเจ้าก็คืออาหารเนี่ยของประสงค์เหลือใช่ไหมรากสัการาเกิดเยอะนครับเนีน่ยตั้แต่สมัยพุทธกาลถึงสมัยนี้ใช่ไหมรากสัการะาก็เกิดประสริฐนานเยอะนะครับสมัยก่อนหมึงกันนะกองขนมก็เหลือเยอะนะครับเป็นกองเลยนะนพระอเราก็การพูนเนเจ้าว่า พระองค์ก็ตัด น, นะครับจึงท่านพระอานุ์ได้การถึงเนื้อความนั้นแต่พุทธพาเจ้าพุทธพาเจ้าตัดว่าดูก่องอนนุ์ถ้าเช่นนั้นเธอจงให้ขนมเป็นทานแก่พวกคนกินเดรท่านพระอา น, น, อนุนทูลรับหนองพระพุทธดำหลับแล้วจัดคนกินเดนให้นั่งตังลำดับ น, นะครับคนกินเดรมีพวกปริพาชอปริพาชิกามาอยู่ด้วยนะาลองมีอาหารด้วยนะ แล้วพวกนี้มันก็มีล่าก <c oughs> ันกิยังมารับแจกของนะแล้วแจกขนมให้คนละชิ้นได้แจกขนมสองชิ้นสําคัญว่าชิ้นเดียวแก่ปริชาจิกาผู้หนึ่งขนมมันติด ก, กันใช่ไหม <c oughs> ถ้าจะว่าแผ่นชิ้นเดียวนะครับ <c oughs> แก่ปริชาจิกาผู้หนึ่งนะพวกปริชาจิกาที่อยู่ใกล้เคียงได้ถามปริชาจิกาผู้นั้นว่าถ้าสมณะนั่นเป็นคุรักของเธอหรือนี่นะ ทำไมถนะึงให้สองชิ้นจะมาคนเขาได้แค่ชิ้นเดียวเลยกุลังเธอหรือเปล่านางก็กตอบว่าท่านไม่ใช่กุลราชของฉันท่านแจกให้สองชิ้นสําคัญว่าชิ้นเดียวนะครับ <c oughs> แม้ครั้งที่สองท่านพระอานน์เมื่อแจกขนมให้คนละชิ้นคือเมื่อแจกครั้งแรกแลก้วกองขนมก็ยังเหลือนะออท่านก็เลยแจกรอบสองนะครับเนี่ยเมื่อแจกให้คนละชิ้นก็ได้แจกขนมสองชิ้นสําคัญว่าชิ้นเดียว แกปริภาชิกาคนนั้นแหละนะครับคนเดิมนะอืถ้าไม่ได้ตั้งใจนะสงสัยแกจะมีบุญได้ของเงยอะเพื่อนนะครับเนี่ยปริภานธิกาที่อยู่ใกล้เคียงก็เลยถามเหมือนเดิมนะครับว่าพระสมณะนั่นเป็นคู่รักของเธอหรือนั่นก็ตอบเหมือนเดิมว่าท่านไม่ใช่คู่รักของฉันท่านแจกให้สองชิ้นสำคัญว่าชิ้นเดียว <c oughs> จากครั้งที่สองอาหารยังเหลือท่านก็เลยแจกเป็นครั้งที่สานะครับ และก็ได้แจกขนมสองชิ้นอีกเหมือนเดิมนะด้วยสำคัญว่าชิ้นเดียวให้แก่ปริภาจิกาคนเดิมนั่นแหละนะครเป็นครั้งที่สามพวกปริภาจิกาที่อยู่ใกล้เคียงได้ถามปริภาจิกาคนนั้นว่าพระสมณะเป็นคุรักของเธอหรือนางก็ตอบว่าไม่ใช่เหมือนเดิม น, นะท่านแจกให้สองชิ้นสําคัญว่าชิ้นเดียวทีนี้พวกปริภาจิกาเหล่านั้นก็เลยน้อเหรียนนะครับว่า คู่รักหรืไม่ใช่คู่รักนี่นะก็ม า, านแจกติดเนื้อสารครั้งเท่านั้นเขคยรอเลยแต่ว่าท่านไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะค ร, รับเป็นเรื่องที่สองนะอาชีวอีกคนหนึ่งได้ไปสู่ที่อันค่าที่เขาถวาอาหารแก่ฆ่านะที่สู่รูปหนึ่งคุกข้าวภายในสายเป็นอันมากได้ข้าวก้องอยญ่แกอาชีวอนั้นนะ อาหารเหลือเยอะใช่ไหมหัวนักฆ่าตะกร้าเกิดเยอะนะท่านเกิดคูเข้าวกันเนยใสเนี่ยเป็นก้องใหญ่เลยนะนะครับให้อาชีวะคนนั้นเมื่อเขาได้ถือข้าวก้อนนั้นไปแล้วอาชีวะอีกคนหนึ่งได้ถามอาชีวะผููนั้นว่าท่านได้ก้อนข้าวมาจากไหนอาชีวะคนนั้นตอบว่าได้มาจากที่อังฆ่าของสมณะโคดมข้าบดีโล้นะนะครับเนี่ยนะ ขนาดได้อาหารจากระใช่ไหมก็ยังกลับหาว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับข้ามมาดีโล้วอย่างนีเนะเนี่ยธรรมดาพวกปริภาเจ้าพวกนี้นะครับมีเบิดตีเตียนนะพวกก็ทําองผสมนะครับถึงแม้ได้รับอุปการะจากยสนานนี่ น, น, น, นนะก็ยังกากตีเตียนทีนี้นี้เลยก็อุบาลสศรทั้งวารได้ยินสองอาชีวะนั้นสนทนารปลาใสกรรันจึงพากันเข้าไปป้องเมืวว่พอพระเจ้า ค้นถวะบังคมแล้วนั่งนณนที่คุณส่วนขัางหนึ่งได้การทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าในราธีพวกนี้เป็นผู้มุ่งติดเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาลขอแย้พระกุณเจ้าทั้งหลายให้ของแก่พวกอาชิวะพวกเอราธีด้วยมือของตนเลยนะครับพุทโธก็ชี้แจงอุบาสงเหล่านั้นเห็นแจ้งสมาท า, า, านอาหารรางนุธรรม บางสองเหล่านั้นก็จะทําไปทั้งสิ้แล้วก็กลับไปครับผู้ท ร, รงก็ประชุมสงนะแล้วก็เบญจคามุนี้ขึ้นมาอันนี้มันมีการสีเตียนใครนะครับเพราะไม่มีผ้าพรูปไหนทอมผิดนะผพ้ท<อ>รงก็ฟ้าเรื่องนึงประชุมสงแล้วก็เสิจคามุนี้ขึ้นมาเลยนี่นมาดูข้อที่ใบในการขานั่นหน้าสองร้อยเก้าแล้วข้อห้านะครับข้อที่ห้านะอเจนก็กล่าวว่า หนึ่งอธิบายเจรักษาศีรษะบุตรคือสะอาดที่ใบายรษบุตรที่หนึ่งแห่เจรักษาว่าต่อไปเมื่อพิสูจให้อารมิตอย่างใดอย่างหนึ่งแก่อัญญะดิรฉี น, น, นอกบุตรนอกศาสนามีอาจเจรับฉีเปยเป็นต้องเหล่านั้นด้วยความพยายามครั้งเดียวครับต้องบัดปานจิตีตัวเดียวนะให้ทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าให้เป็นยากเลยนะ ให้กันทีเดียวก็ต้องตัวเดียวนะครับเมื่อไปสวนาหลายครั้งต้องบัตรทามจนหนึ่ครั้งที่ให้นั้นนะครับก็แต่ละครั้งสต่ละครั้งไปนะโอ้นี้จบแล้วนี่จบแล้วเนี่ยเอาาที่วาย น, อนนะ้อยเหตุเกิดและประเภท อ, บอาบัตนะครับสิขาบทนี้เพื่อพระเจ้าทรงปร้าลดพระอนุณในเมืองไทยาลีมันอย่างได้แล้วเพราะเหตุคือการให้ขนมสองชิ้น แกนามบริภาชิกาสิขาบทนี้เป็นอาาสักระหนามบัญญัติที่สูนีไม่มีนะครับอันนี้มีเฉพาะพิสนะูนาอนัตติกะไม่เกี่ยวการใช้นะครับใครให้เองคนนั้นก็ต้องอธรรมเองนะถ้าเราเอาให้บอกเนน่ะให้ไปให้ภาพก็ไม่ต้องอธรรมนะครับตีกาปาจิตตินะครับเป็นนัตติกาปาจิตติ เราดีลทธิเีตัวตั้งครับเป็นดีลัทธูความเข้าใจสงสัยสำคังคิดถ้าให้ไปก็ต้อง อ, อาบาัตทั้งนั้นนเลยครับเมื่อให้นะ้ำหรือไม้ชำระฟันก็ดีอันนี้ก็ทุกคนครับไม่ใช่ดีลัทธินะสําคัญว่าเป็นดีลัทธีหรือมีความสงสัยก็ดีอันนี้ก็ต้องอานบาัตรทุกคนดีลัทธีคือน้อมบุนอกาศาสนานะ ภาษาบาลีเป็นติทยะหรืออัญญะติทยะใช่ไหมครับหรือพูดถือท่าอื่นถือท่าอื่นก็คือถือลร่นที่อย่างอื่อนะครับนอกจากพุทธศาสนาถือลร่นที่อย่าง อ, อื่นนะครับอาณาบัตรนะคะรับพิสูจไม่ต้องอาบาบัเนเมไม่ใช่เดรัจฉีสําคัญว่าไม่ใช่เดรัจฉีแล้วให้ใช่ไหมเป็นไรใช้อุปสรรคบัตรให้แทน แล้วก็ใช้เนินใช้โยน ไ, ไปให้ถ้าต้องการให้จริงใช่ไหมเอืมครับไม่เป็นไรวางภาชนะเอาไว้ใกล้ๆพวกเขาแล้วพูดว่าท่านจงรับเอาสิ่งไปได้นครับแล้วก็วางมาให้นะกักแกอิบเอนะไม่เป็นไรให้ในภาชนะที่พวกเขาวางไว้เข้าวางของไว้ภาชนะเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็วางใภาชนะนะครับอันนี้ก็ได้ให้สิ่งของที่สว่างไร้หาภายนอก และที่สู่บ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอนบุบาลนะครับนี่ทำไมท่านไม่ได้พูดถึงยาเลยมันได้พูดถึงยาเลนะยหรือเปล่าท่านเป็นยาฉันจะได้หรือเปล่าคำว่าให้ในที่นี้นะให้ด้วยกายก็ดีด้วยของนู่นด้วยกายก็ดีแม้แต่โยนให้ก็ดีเดี๋ยไม่น่านั้นนะครับต้องาบับไปทีหมดเลยอันนี้ถ้่เอาของเคีย้ยวของฉันจริงนะอ๋อของเคีย้ยวยิ่ได้เองเยอะนะ ของเคี้ยวนี่คือเว้นโพชนะห้าอย่างเว้นน้ำและไม้สำหระฟันนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวนะครับเจ้าหนุนคำถาบพวกนี้ได้เยอะยนะของเคี้ยวนี่เอาเยอะเลยนะครับไม่แค่โพชนะแล้วก็น้ำไม้สำหรัฝันที่เหลือที่ของเคี้ยวหมดเลยส่วนของเคี้ย็คือโพชนาห้านะครับช่วยไม่ได้ะครับก็เว้นเนี่ยนะของไรคาภายานอกนะให้ได้ที่เหลือให้ไม่ได้ แก้ว่ายานี้ก็ไม่ได้นะข้านาอะไรนะแล้วไหมฉันรัฟันนี้ไม่ได้อะไรใช่ไหมยาที่เราพูดถึงไม่ได้เลยมันอยู่นะครับว่าของที่ไหนที่องอาวันนะครับสิขาบทที่มีองสามเหล่านี้คือหนึ่งเป็นอนญญะในรถีครับสองเป็นสิ่งของที่ว่าว่าเจ้าไม่สรงนี่ที่จะให้ได้นะให้ ไ, ได้บอกของไาวทางภายนอก สามพิสุให้ของสำหรับกืนกินนี่ไงอาว่ากินกินนีชั่นเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าอาหารอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับนั่นได้เยอะที่กินกิ น, นะครับบนภาชนะที่ไม่ได้วางไว้ด้ยวยตนเองนะครับอี่ก็คือหมายในภาชนะที่เข้าถือนะให้กินกินนั่นเลยเมื่อพบองศาก็ต้องไปไปเรียนศึกษาบท น, นี้นะครับสมุทรานเป็นต้นเหมือนกับนายเอลกนัา เอละกาโลมาสิกขาบุไหนการ้ากากักการที่จิตนะครับอันเนี้ยจำได้นะเพราะว่าพอมีการให้ด้วยการจบการที่บายเจลกาสิกขาบุตรง่ายนองาบัข้อไหนนะครับอ๋อไม่มียาใช่ไหมอ๋อยาก็นะคำว่าของกินินะครับของกินหมดเลยยานี่ก็โดนหมดเลยเนาะ เพราะว่าคำว่าของเคี้ยวอยู่ในคำว่าของเคี้ยวครับของเคียคเค้ยวในที่นี้เนี่ยท่านรวมยาเหนือยอะไรได้วยหมดเลยครับ <c oughs> ท่านเว้นเฉพอะโพชนะห้าและน้ํานและไม้สำหับฟันที่เหลือนะการนี่ที่เหลือชื่อว่าของเคี้ยวหมดเลยที่นี้นะครับคือของที่จะคืนกินนะส่วนของฉันก็ได้แต่โพชนะหนะครับอันนี้นะของเคี้ยวในเว้นเอาไกด่เหลือหมดเลยนะครับ ยาว่าการเลี้ยม า, าการเลี้สตาก ร, ริกยวว่าชีวิตเนาะมเลยทุกอย่างนะครับชั่วของเคในทีนี้เพราะในในดในการขานี่เขาก็เลยแปลว่าของสํำหรับคืนกินครับไม่ใช่สามนี้เลยเนาะนะครับเพราะว่าเรื่สามนี้จะคุมนะครับอชจรินิยังเนี่ยคือของสำหรับคืนกินจะได้การเลี้ทั้งหมดเลยนะครับสามมันจะคุมกว่านะใช่ไหมอัจฉริยะนิยังนะครับ ของที่ควรบริโภคควรคืนกิ่นนะนี้ครับ